ต่อไปจะศึกษาในเรื่องของเวทนาตอเน่ะเออในเวทนานุปัสนาสติปัฏฐานเนาะในขึ้นของเวทนาเกี่ยวในเรื่องของสมณะเสวนาได้พูดถึงเวทนาเวล้วในช่วงสองเนาะในเรื่องของเวทนาที่ท่านบอกว่าในชั้นของอาจารย์ท่านพูดถึงเรื่องเวทนาเขาไว้แล้วก็ในพุทธพจน์นะดูก่อนจอมเทพศสมณะเสวนาท่านแยกเป็นสองที่ควรเสพและไม่ควรเสพ เวทนาที่ไม่ควรเสพก็ได้แก่สมนัตเวทนาที่อาศัยเรือนเกื้อสายกรรมคุณหาอาศัยรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสเนาะเขาเรียกว่าฉะเคหะสีตานี H ้ ani, สมนัตสานี้คือพิจารณาเห็นเฉพาะรูปที่พึงรู้แจ้งทางตาเป็นต้นไม่ใช่รูปอย่างเดียวนะนี่ท่านยกเป็นตัวอย่างไว้เวทนาในทางเสียงด้วย รูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสเป็นต้นเหล่านี้ยก็สรุปก็คือว่าเวทนาที่เป็นไปทางทาวารตาหูจมูกเล่นกายใจเวทนาเหล่านั้นเป็นเวทนาที่ไม่ควรเสกหมายความว่าเวทนาที่อาศัยอาศัยเนกอาศัยอาศัยเรือนที่ท่านบอกว่าพระพุทธเจ้าตัดเวทนาสามแก่เท้าเธอแก่เท้าสากัดนะอัตมาภาพกล่าวสมนัตคือสมณัตสังจาหาังถามว่าก็พระพุทธเจ้าตัดข้อที่ทูล ที่ทูลถามข้อที่ไม่ทูลถามไม่ตรัดตัดข้อที่มีความต่อเนื่องไม่ตัดข้อที่ไม่มีความต่อเนื่องหรือตอบว่าตัดแม้ตัดแต่ข้อที่ทูลถามเท่านั้นไม่ตัดตัดข้อที่ไม่ทูลถามแล้วตัดข้อที่มีความต่อเนื่องเท่านั้นไม่ได้ตัดข้อที่ไม่มีความต่อเนื่องยิงอยู่ท่านบอกว่าเวทนาเหล่านั้นเวบอกเทวดาทั้งหลายนี่นะถ้าถามบอกว่าสําหรับเวทนาทั้งหลายเนี่ยระหว่างรูป ปรามกับรูปธรรมเนี่ยอะไรปรากฏชัดกับเทวดามากที่สุดอารูปปรากฏชัดมากกว่ารูปทีนี้ในบรรดาอรูปก็คือเวทนาขันสัญญาขันสังขารลขันวิญญาณขันในบรรดาอรูปประมเหล่านี้ยอรูปธรรมอะไรที่ปรากฏชัดกับเวทนามากที่สุดเอาระหว่างเวทนาขันสัญญาขันสังขารลขันแล้วกัวิญญาณขันเนี่ยในบรรดานามขัน4ี่เหล่านี้ ขันอะไรที่ปรากฏชัดมากที่สุดเพราะเ ท, เทวดานี่นามธรรมปรากฏชัดก็รู้ประธรรมใช่ไหมในที่เนี้ยเวทนาขันเนี่ยปรากฏชัด ใ, <น>ใชหให้สังเกตว่าบรรดาเทวดาทั้งหลายเนี่ยโดยมากเทวดานี้จะติดสุขฉะนั้นอย่าได้ไปนะถ้ายัางมีตัณหามาน้าทิถีอยู่เนี่ยไปเราเป็นโทษแค่นั้นบรรดาคนที่มีตัณหามาหน้ทิถีเยอะๆเนี่ย ถ้าไปเกิดในจารตมมหาลาชิกาตาวติงสายามาดูสิตานิ ม, มานารดีปรานิมิสวาสวัฎีเนี่ยเวทนารุนแรงมากโดยเฉพาะสมราศเวทนาฉะนั้นสัตว์โลกทั้งหลายที่ไปอยู่ตรงนั้น่ง่ายมากเวทนาเหล่านี้เป็นปัจจัยเก่ดตัณหาปกติเนี่ยเราก็เผู้ที่มากไปด้วยตัณหาเอานี้นะก็ก็อาหารหยาบๆนี้เรายังกินสะเพริญกันหน่อยนี่เราถ้เาเไปเจออาหารทิ้งขึ้นมาถามว่าไปแล้วลืมหลังเลย บางคนคิดว่าอยากจะกลับมาบอกพ่อบอกแม่นี่นะโยมสมานเนี่ยลืมเลยอ่ะเล่นซะคิดติดที่พ่อแม่ตายไปแล้วตั้งหลายร้อยปีอ่ะขนาดนั้นเลยเั่นรุนแรงมากสมณสเวทนาเวทนาก็รุนแรงจริงๆน่ากลัวจริงๆอัศธาหน้ากลัวมากคือมันเป็นไปอยู่ตรงนั้นก็คือว่าสิ่งที่จะทํามากที่สุดก็คือว่าตัญหาแล้วก็บวกกับกรรมใช่ไหม แล้วตันหาเหล่านั้นมันจะเป็นไปกับโลภะลองคิดดูดิโลภะมันดื่มดําขนาดนั้นเนี่ยแล้วเราก็ไปทํากรรมเกี่ยวกับโลภะแล้วคิดดูเราจะไปหาผ้าอีกยากไหมลืมคิดไม่ออกเดี๋ยวขอชมสวนสักหานาทีของเขาห้านาทีของเขาหนีปลาเข้าไปไม่รู้กี่ร้อยปีเข้าใจยังฉะนั้นเวทนา น, น่ากลัวมากเพราะเรามันมีตันหามาหน้าทิฏฐิ แต่ถ้าคนนิดเดินนีปั ส, สนาจนคล่องแคล่วแล้วเนะยพิจารณาสมนุสสมนัสเวรนาด้วยความเป็นทุกอย่างชัดเจนแล้วนะตายบนนั้นนะ่ะมันจะสะดุง้งสะเทือนต้องตาายปุ๊บหนี่ยยังสำรวมระวังอยู่เลยไม่มองเทพพยาดาอะไรเท่าไหร่หรอกมีการสำรวมอินรีย์อย่างดีแล้วจนคนต้องมาสะกิดว่าเฮ้ยคุณเปลี่ยนพบแล้วขนาดนั้นเลยจึงรู้ตัวอ้าวเราเปลี่ยนแล้ว ท้องคัญเราจะไม่อย่างนั้นเนาไปก็สอดสายสายตาหาตรงไหนนะมันสนุกที่สุดใช่ไหมฉะนั้นมันอารมณ์ที่น่าชื่นใจเยอะมากตรงนั้นก็เป็นเรื่องที่ต้องคิดเป็นเรื่องที่ควรพิจารณาใช่ไหมว่าถ้าไปด้วยอํนานาจแห่งวิปัสนาของเรายังไม่คร่งเคร่อ ง, องแล้วอย่างเงี้ยเป็นโทษเนี่ยไปตอนเนี้ยมีโทษถ้าไปอยู่บนสวรรค์นเนี่ยที่ไปไม่นานก็ตกโดยมากไปอยู่สองกลุ่มเนาะกลุ่มเทวดาที่เล่นกับเทวดาที่โกรธ เทวดากี้เล่นือชอบเที่ยวเทวดาชอบเที่ยวแล้วปัจจุบันนี้ชอบเที่ยวไหมหนี่นแหละเพราะไปก็จะเป็นพวกเทวดาติดสุขฉะนั้นสมนัสเวทนาเนี่ยจึงเป็นโทษมากเลยเพราะอะไรเพราะสมนัสเวทนานั้นเนี่ยถ้าเราดูในจูลเวทลรสูตรในจุราเวทารนี่นะเพราะเขพูดตรงเนี้ยมาก็นึกถึงสูตรหลายๆสูตรดิเพราะ ถ้าจะไปตามอีกเดี๋ยวไปไปใหญ่ใช่ไหมมาพยายามจะอยู่ในเขตจํากัดเอาอยู่แค่สกัดปัญหาสูตรก็พอแล้วเดี๋ยว้าไปสูตรอื่นนี่ก็เป็นเรื่องยาวเลยใช่ไหมว่ากรณีที่สุกสมมนาต่างๆเราเนี้ยเป็นที่มานอนของพวกราคะยังไงอย่างนี้ก็ไปพิจารณาก็ลำบากก็ต้องเอาสูตรนั้นมาเดินเดินไปอีกยาวเลยเดี๋ยวนี้เดินึกลางๆก็ไม่มออีกเข้าใจยังก็พยายามจํากัดขอบเขตแล้วแต่นี้จะรีบเดินเพราะวิจารณาติดกันอยู่นานแล้วเนี่ยคือตรงนี้ก็คือ ท่านบอกว่าเทวดาทั้งหลายเนี่ยนะโดยเฉพาะว่าอรูปคือเวทนาปรากฏมากกว่าเพราะเหตุไรเพราะกายที่เกิดจากทุลีในน้ําคือกราชกายของพวกเทวดานั้นเป็นกายละเอียดเป็นอะไรเป็นรูปธรรมที่เกิดจากกรรมเป็นของที่มีกําลังทําไมถึงบอกมีกําลังเพราะกายที่เกิดจากทุลีในน้ําเป็นของละเอียดแล้วก็เพราะรูปที่เกิดจากกรรมเนี่ยเป็นของที่มีกําลังถ้าเลยเวลากินอาหารแม้แต่เพียงมื้อเดียวเท่านั้นเทวดาก็จะตั้งอยู่ไม่ได้ย่ําแหลก แหกเหมือนอะไรเหมือนกับก้อนเนยใสที่ใส่บนหินที่ร้อนนั้นเทวดาเหล่านี้ถ้าไปเล่นเพลินเพิเพลิไปตายอีกตายด้วยโลภะน่ากลัวมากถ้าถามบอกว่าความเบาบางของเทวดาที่บุญในน้อยทั้งหลายเนี่ยเวลาไปเบส็ดดใช่ไหมแล้วก็ไปมัวเพลินใช่ไหมเอางี้เอาเป็นมนุษย์เนี่ยใครเคยทํางานแล้วลืมเวลากินไหม โอ้โถ้าพวกนี้ปเป็นเทวดาตายเร็วเหลือเกินจริงเพราะไปบนน้นน่ยมันจะเพลินกว่านี้อีกหลายพันเท่านั้นพอไปเป็นเทวดาปุ๊บก็มัวเพลินโอ้โหป่าสวนตรงนี้ก็งามตรงนี้ก็งามใช่ไหมนะครับนะครับพอลืมเวลากินไอ้ร่างกายที่เกิดจากกรรมที่มันละเอียดมากเะโยมันก็เหมือนเอาเนยใส่ไปใส่ไว้ในหินที่ร้อนละลายหมดเลย ฉะนั้นร่างกายจะละเอียดแล้วมันจะตายง่ายมากตอนนั้นโลภะเกิอดอยู่จะไปอะไรเดียไม่ใช่ตอนนั้นโลภะเกิดควรจะไปไหนลงนู่นแหละอบายทุกข์กติวินิบาลดนรกโดยมากเทวดาเนี่ยตายแล้วลงนรกเทวดาที่เป็นบุตรชนลงนรกฮะทุกชั้น ทั้งทั้งหกภูมิหกชั้นนี่เลยงั้นพวกเทวดาก็ตั้งอยู่ไม่ได้ก็แหลกไปเหมือนเนยใสที่ตั้งอยู่บนหินที่ร้อนให้ทราบต้อยคำทั้งหมดตามในที่กล่าวนะถ้าถามบอกว่าถ้าเราต้องการอยากจะดูรายละเอยียดจริงๆก็ต้องไปดูในพรหมชาลสูตรเราจะเห็นยะเห็นชัดเขาเรียกว่าเทวดาที่กลมกับขี่เล่นทั้งหลายพวกนี้เป็นไปกับพวกมิจฉาทิฏฐิ ในที่สุดจริงๆในรายละเอียดตรงนั้นแต่ไปดูในพรหมชารสูตรมาเปรียบเทียบเนาะในทีคัิกายเนี่ยนะถ้ามาเปรียบเทียบตรงนี้เราจะเห็นชัดว่ากลุ่มเทวดาทั้งหลายที่เกี่ยวกับในกรณีที่เห็นแก่เล่นเนี่ยในส่วนจริงก็ตายเพราะตายมาถ้ามาทํากรรมในขณะที่เป็นมนุษย์แล้วไประลึกชาติได้สมมตินะถ้ามีโอกาสมาเป็นมนุษย์ถ้าตอนนั้นสมมุติว่าไปเล่นเล่ น, ลนจริงใช่ไหม แต่พอกายจะตาจริงๆกุศลเกิดถ้าได้มีโอกาสมาเป็นมนุษย์หน่อยเนี่นะเสียหายเลยพอเลึกชาติได้ก็กลายเป็นเอิกกะจ่าสุสัติถิก็เป็นสําคัญผิดีกว่าตนเองไม่เที่ยงแต่เทวดาที่ไม่เล่นเหมือนตัวเองในเที่ยงเสียดก็มีตัณหามานะทิฐิที่เป็นไปกับปุพพันตากับปิกาทิฐิเห็นว่าบางอย่างเที่ยงบางอย่างไม่เที่ยงเห็นไหมโทษของการไม่ได้ศึกษาคําสอนเนี่ยเสียหายโดยส่วนเดียว ไม่ว่าจะเกิดในพบใดภูมิใดก็มีแต่ความเสียหายเนี่ยนะนี่เป็นอย่างนี้ตรงนี้นี่แหละเพราะฉะนั้นทูตพระเจ้าก็ทรงปารลเวทนาสามคือสุขเวทนาทุกขเวทนาแล้วก็สมนัสเวทนากับเท้าส ก, กัดทีนี้ในกรรมฐานสองอย่างนะรูปกรรมฐานแล้วก็อรูุปกกรรมฐานจะเรียกว่ากรรมฐานนั่นเองหรือ ว, ว่าการกําหนดรูปและการกําหนดอารูปก็ได้ทีนี้ในบรรดาถามว่า ในกายานุปัสนาเป็นรูปกรรมฐานหรือเป็นอรูปกรรมฐานเวทนานุปัสนาเป็นรูปกรรมฐานหรืออรูปกรรมฐานจิตานุปัสนาเป็นรูปกรรมฐานหรืออรูปกรรมฐานธรรมานุปัสนาเป็นรูปกรรมฐานหรืออรูปกรรมฐานเป็นทั้งรูปกรรมฐานและอารูปกรรมฐานนะถ้าธรรมานุปัสนาเนี่ยทีนี้ประการต่อมาคือบว่า ก็ให้กําหนดทั้งรูปและอรูปต่างๆเหล่านี้แต่ว่าในอารมณกรรมฐานปรากฏแก่ผู้ใดถ้าถามว่าตรงนี้นะคําสอนของพระบรมศาสดาเนี่ยท่านจะแสดงทั้งรูปกรรมฐานและรูปกรรมฐานถ้าท่านผู้ใดเนี่ยสามารถกําหนดรูปกรรมฐานแล้วสามารถที่จะปรากฏชัดแก่ท่านผู้นั้นพระเจ้าก็จะสอนรูปกรรมฐานแต่ถ้าหากว่าท่านผู้ใดนี่นะกำหนดอารมณกรรมฐานและปรากฏชัดพระเจ้าก็จะสอนอารมกรรมฐาน ความตั้งมั่นในอารมณ์กรรมฐานมีอยู่สามอย่างนะกล่าวมาแล้วใช่ไหมคือเดิมนาคของภาสาเดิมนาคของเวทนาหรือเดิมนาคของจิตตรงนี้นะ่ะเขาถึงกล่าวไว้โดยที่ทั่วไปนะเนี่ยาบอกว่าภาษานุปัสสนาสติปัฏฐานก็มีเวทนานุปัสสนาสติปัฏฐานก็มีจิตตานุปัสสนาสติปัฏฐานก็มีใช่ไหมใช่เนี่ยเขาเรียกอารมณ์กรรมฐานแล้วแต่สัญญานุปัสสนาสติปัฏฐานนี้ไหมมีไม่มี เคาได้ยินไหมนะสังขารนุปสังขารนุปั ส, าปปสนาสติปาฏฐานีไมมันก็แล้วแต่เราจริงๆจะขยายไปยังไงก็ได้ใช่ไหมอเอาเจตสิกทิานห้าสิบสองดวงเนะี่ยมาขยายเป็นชื่อกรรมฐานได้หมดแหละแต่ว่าโดยส่วนมากเนี่ยท่านจะกำหนดสามส่วนภาษาเวทนาแล้วก็จิตถ้าท่านพุทธได้เนี่ยภาษาปรกาปรกฏชาติพระองค์ก็อสอนภาษา ภาษาต้องปรัชนาสติปัฏฐานไปอันนี้ว่ตรงนี้เดี๋ยวหลายคนเอ๊ะทำไมเอาสอบนี้มาได้ไงถามว่าภาษากําหนดเป็นอารมณ์กรรมฐานได้ไหมจักขู่สมภาษะทําไมจะไม่ได้ต้องดูอาหารสี่ิกาลวะ ล, ลิงกาาอาหารเนี่ยเนนะี่ยเป็นอารมณ์กรรมฐานแนะเนี่ยนะภาษาอาหารมโนสัญเจตนาอาหารวิญญาณอาหารเนี่ยเป็นอารมณ์กรรมฐานได้หมดแล้วคนบรรู้กันเยอะ บางคนก็มาสายกาวลิงกราหานได้บรรลุบางคนก็มาจากถาษานี่แหละกาหนดภาษาแล้วบรรลุบางคนก็กําหนดมโนสัญเจตนาหารนะบรรลุคือกําหนดเจตนาเลยตัวก่อมเลยบางคนก็กําหนดตัววิญญาณตัวจิตนั่แหละบรรลุเลยอย่างเราเนี่ยเดี๋ยวต่อไปพอเรียนเวทนาเสร็จก็ไปเรียนจิตใช่ัหมก็ไปเรียนจิตตานุกศาสนาสติปัฏฐาน ทีนี้ถ้าเรียนจิตตาทุพสนาสเตียบฐานถ้าเราเรียนรู้เรื่องจิตโอสบายเลยเดี๋ยวนี้ยใช่ไหมก็ไปแยกจิตได้ดีครับถ้าไม่รู้เรื่องจิตนี่นะทํางงอีกเดี๋ยวนี้ใช่ไหมแต่ถ้าต้องไปวิจัยกันอีกนานเลยจิตเที่ยงไม่เที่ยงเร็วว่าไปเลยเดี๋ยวนี้เพราะเพราะชาวพุทธเนี่ยไม่เข้าใจว่าจิตนี่เป็นอตานะใช่ไหมถามว่าเวลาไปเผาศพบเนี่ยส่งวิญญาณไ้ยมีการส่งวิญญาณ ไม่ใเรียกว่าส่งวิญญาณธรรมดาเนี่ยส่งดวงวิญญาณไปสวรรค์ก็อีกยุ่งเลยแสดงว่าเห็นว่าวิญ ญ, ญาณเป็นดวงใช่ไหมเพรายอมหมานี่ทำสมาธินี่แหละไปเขียนตัวจิตกลมๆพวกนี้ว่าเข้าใจว่าวิญญาณ <c oughs> <c oughs> นึกว่าวิญญาณเป็นกลมๆนีมม่มันลอยไปเงี้ยบางวัดบางที่ก็ผู้พุยิงส่งวิญญาณกันเลยน้ <c oughs> ามาก็ไปถามถามเอกจุดพูทําไมก็าบอกอ๋อส่งดวงวิญ ญ, ญาณขึ้นสวรรค์ เขาว่อฟแล้วพู้มันยิงถึงสวรรค์ด้วยหรอเขาบอกพอยิงไป ต, ตัวตัววิญญาณก็เกาะลูกพูกอะ่ะขึ้นไปแล้วมันโู้ตกมามไม่ตอกจะว่าเนี่ยคนไม่เข้าใจผิดก็ไปคิดว่าตายแล้วมีดวงวิญญาณลอยออกทั้งทั้ที่วิญญาณไปจิตก็เหมือนเราคิดเนี่ยคิดกลับบ้านเนี่ยมันมีอะไรวิ่งออกจากความคิดเราไหมมันวิ่งไปไมอะความคิดวิ่งไปถึงที่บ้านไหม คลื่นไปได้ป่ะมันก็เกิดตรงนี้มันกระดับตรงนี้แหละแต่ด้วยอนาจของจิตที่มีความเร็วนี่นะมีความเกิดดับได้เร็วมากแล้วพลังของขมันเยอะในการคิดมันก็สามารถคิดไปไหนก็ได้เราจะคิดไปพรหมโลกก็ได้ใช่ไหถึงบอกว่าถ้าตายตรงนี้เราจะไปเกิดในพรหมโลกเนี่ยเป็นเรื่องปกติเลยถ้าเราได้ฌานจะมาแบบใช่มัมยชไม่มีอำนาจอะไรที่จะมาขวางจิตได้ ไม่มีเพราะว่าจิตเนี่ยมันเกิดดับเร็วมากเนี่ยนในอในในมิรินทน่าปัญหาที่เขาถามกันเขาบอกว่า เ, ออเวลาไปเกิดเนี่ย เ, ออเขาไม่เห็นในมิรินทาปัญหาเขาถามบอกว่าตายตรงเนี้ยแล้วไปเกิดในท้องคนเนี่ยจิตมันเข้าตรงไหน ก็าถามว่าจิตมันวิ่งเข้าทางไหนใช่ไหมวิ่งเข้าทางไหนท้องแม่เขาก็เลยอุปมาบอกว่าเอางี้คุณคุณเปิดหีบใช่ไหมแล้วคุณก็ปิดหีบเข้าไว้แล้วคุณเดินออกมาแล้วกูส่งความคิดเข้าไปในหีบเนี่ยความคิดคุณเข้าทางไหนปฏิสนธิยายก็เข้าทางนั้นแหละก็ว่ใช่ั้ม เอาความคิดไปกันเอาแค่เอาอะไรไปกันได้ที่ไห น, นก็เหมือนเราคิดเข้าไปในห้องเนี่ยความคิดไม่ต้องไปเปิดประตูก่อนแล้วโอ้ไม่ใช่เลยความคิดเข้าไปได้เลยเนี่ยนะมีอะไรกันได้ที่ไหน น, นั่นแหละคือจิตตรงนี้ท่านกล่าวถึงในเรื่องของรูปกรรมฐานอารูปกรรมฐานแล้วก็พูดถึงเรื่อ ง, องหน้าถัดสามหนาทสงเวทนาหน้าของจิตสําหรับคนบางคนเนี่ยนะรับอรูปกรรมฐานไปโดยสังเก็บหรืโดยพิสดารก็ตามจิตและเจตสิกทั้งหลายย่อมมีความตั้งมั่น ชั้นแรกในอารมณ์นั้นภาษาถูกต้องอารมณ์นั้นย่อมอยู่เป็นของปรากฏบางคนในเวทนาก็เกิดตามที่สู่ออารมณ์นั้นก็จะปรากฏส่วนบางคนวิญญาณก็จะปรากฏในสามอย่างนั้นน่ท่านก็กล่าวว่าผู้ใดมีภาษาปรากฏผู้นั้นก็ชื่อว่าย่อมถือเอาหมวดเจตสิกอื่นๆเกิดร่วมไปด้วยก็แปลว่าภาษาเจตน า, าสัญญาวิญญาณมิตรเราเนี่ยนะ พ่อไม่ใช่จะเกิดแต่ภาษาอย่างเดียวฉะนั้นพ่อภาษาแม้เวทนากระตังเสวย อ, อารมณ์นั้นสัญญาประจามอารมณ์นั้นเจตนาก็คิดอารมณ์วิญญาณก็รู้แจ้งอารมณ์นั้นก็ย่อมเกิดขึ้นด้วยด้วยประการอย่างเนี้ผู้ใดเวทนาปรากฏนะแม้คนนั้นก็ชื่อว่ารวมเอาหมวดทุนเจตสิกกระทาทั้งห้าเป็กระนี้นี้กล่าวตามเนยาะของพระสูตรสมมุติเราทำเวทนาเกิดขึ้นภาษาก็เกิดเนาะสัญญาก็เกิดเจตนาก็เกิดวิญญาณก็เกิดตามโดยสรุปก็คือว่า แม้ผัสสะเกิดแม้เวทนาเกิดแม้วิ ญ, ญญาณเกิดนี่นะเจตสิกธรรมต่างๆก็เกิดร่วมด้วยตรงนี้ก็ให้เข้าใจนะว่าเวลากําหนดรอบรู้เวทนาเนี่ยไม่ใช่เจตสิกธรร ม, มอื่นไม่เกิดเช่นไปรูบรู้สมนัสเวทนาถามว่าตอนนั้นน่ะจิตก็เกิดด้วยนะไม่ใช่ไม่เกิดแต่ตอนนั้นะเวทนาเป็นใหญ่อยู่ใช่ไหมกำหนดเวทนาภาษามีไหมตอนนั้นภาษาก็มีวิญ ญ, ญาณก็มีเจตนาก็มีสัญญามีไหย สรุปแล้วก็คือว่านามขันธ์สี่ครบเวทนาขันธ์สัญญาขันธ์สัง ข, ขารและขันธ์วิญญาณขันธ์แต่ตอนนั้นท่านกําหนดเวทนาเป็นอารมณ์ก็ให้รอบรู้อย่างนั้นแต่ธรรมที่เกิดร่วมกับเวทนาเป็นต้นเขาก็มีอยู่เป็นต้นเหล่าเนี้ยอันนั้นท่านกล่าวถึงในลำดับของการกําหนดอรูปธรรมทีนี้ถ้าถามว่าในบรรดาขันธ์เหล่านั้นเนี่ยนะรูปเวทนาเป็นต้นเราเนี้ยมีอวิชชาเป็นเหตุปัจจัย แต่มาตรายตองถึงปัจจัยถึงที่เกิดของปัจจัยก็รู้ว่านอกจากปัจจัยแล้วสิ่งทั้งหลายที่เกิดจากปัจจัยแล้วไม่มีสัตว์บุคคลนะมีแต่กลุ่มสังขารล้วนๆทั้งนั้นที่เป็นไปแล้วก็ยกขึ้นสู่ไตรลักษณ์ในความไม่เที่ยงเป็นทุกข์ก็เป็นอนัตตาเป็นต้นเหล่านี้ยในส่วนจริงๆก็เป็นปัจจัยการที่จะแทงตลอดอริยสัจเป็นต้นได้ตรงนี้ก็คือว่าท่านยกตัวอย่างอย่างนี้นะบอกว่าในขณะที่เวทนาเกิดขึ้น ใ่านให้กำหนดรอบรู้ลักษณะรักษณปัจจุปฐานะธาตฐานของเวทนาแล้วใครรู้ด้วยบอกว่าเวทนาเหล่านี้เป็นธรรมที่เกิดจากปัจจัยว่าไม่ใช่เวทนาดวงเดียวเท่านั้นหรืออย่างเดียวเท่านั้นที่เกิดขึ้นแม้สัญญาก็เกิดแม้ผัสสะก็เกิดแม้จิตก็เกิดแม้เจตนาเป็นต้นก็เกิดกลุ่มนามธรรมก็เกิดอยู่ในขณะนั้นแล้วก็บอกเวทนาต่างๆเหล่านี้ที่เกิดขึ้นมานั้นเพราะมีอวิชชาเพราะมีตัณหาเพราะมีกรรมในอดีตเป็นต้นเป็นปัจจัย นี่ก็แยกแยกพิจารณาใช่ไหมพอพิจารณาในลักษณะนี้ก็จะเห็นทั้งปัจจัยแล้วก็เห็นทั้งตัวปัจจิุบันของเขาเห็นทั้งตัวเหตุและเห็นจนตัวผลแล้วก็พิจารณาว่าปัจจัยและปัจจิุบันของเขานั้นไม่เที่ยงเป็นทุกข์แล้วก็เป็นอนัตตาอย่างไรเป็นต้นเมื่อพระพุทธเจ้าทรงบอกอารมกรรมฐานแล้วก็แสดงเวทนาเป็นหัวข้อ เมื่อพระองค์แสดงถัดสะก็เดิมหน้าแห่งวิญญาณจะไม่มีความชัดเจนแก่เท้าสกะแต่ปรากฏเหมือนมืดมนแต่เดิมหน้าทั้งเวทนาปรากฏแจ้งในเพรา อ, อะไรเพราะการเกิดขึ้นของเวทนาเห็นได้ชัดก็ว่าสุขเวทนาก็ดีทุกขเวทนาก็ดีเป็นสิ่งที่ปรากฏชัดเมื่อสุขเวทนาเกิดขึ้นทั่วสะพางร่างกายก็ก็เพื่อมแล้วก็เกิดความทราบาซาซึมทราบวัวเหมือนได้กินเนยใสที่ชําราดแล้วร้อยครั้ง เหมือนกำลังทาน้้ำมันที่เกลียวร้อยครั้งเหมือนการน้ามันพันหม้อมาดับความเร่าร้อนคนบางคนก็เปล่งอุทานว่าสุกน้อสุกน้อเนี่ยนะอยู่เรื่อยไปเมื่อเกิดความทุกข์เกิดขึ้นก็รู้สึกสะเทือนกระเพื่มแล้วก็รู้สึกทรมานใจเหมือนเข้าไปสู่กับเบื้องที่ร้อนเหมือนเอาน้ำทองแดงมาลาดรถเหมือนโยนฟ่อนไ อ, ไ, อไอ้ฟอนยาที่เข้าไปในเข้าในกองเพลงนน ตรงนี้ท่านต้องการจะยกตัวอย่างให้เห็นว่าเวลาสุขเวทนาเกิดขึ้นเนี่ยคือท้าส ก, ก่าเป็นต้นหรือเทวดาเป็นต้นเนี่ยเวลาไปสวยสุขเวทนาหรือโสมนสัสเวทนาเนี่ยก็ติดแน่นในวัตถุการมไอ้ตัวกิเลสกรรมทั้งหลายนี่นะที่เกิดขึ้นในกำมล้ขันของของของเทวดาทั้งหลายเนี่ยติดใจมากเพราะด้วยเหตุที่ตนเองนั้นเป็นบุุรชนอยู่เนี่ยด้วยการที่ว่าเหมือนกับได้อาบน้ําเย็นๆ เ, เป็นพันๆหม้อเนี่ย รูสึกสุขแล้วบางทีก็อุทานโอ้โหสุขจริงเลยสุขแล้วเกินสุขแล้วเกินนี่ยมีความสุขมีความชื่นใจมากเนี่ยนะแต่ในขณะเดียวกันท่า น, นบอกว่าถ้าทุกเวทน า, าเกิดขึ้นแล้วก็เปรียบเทียบในนรกแค่ว่าในเวทียังไหมยิ่งยอมสมา น, นเยารูปในมหาในรกไมาให้ยานดูเมื่อกี้นั่นแหละสัตว์ทั้งหลายที่อยู่ในนรกก็ดีสัตว์ทั้งหลายที่เป็นพวกอสุรกายเป็นเปรตหรือสัตว์กระชานที่กําลังได้รับทรมานอย่างรุนแรงก็ดีนี่ กอุทาน ส, สถานในร่างกายถ้าไฟฉีก็ไปทั่วสั ป, ปพางร่างกายถามว่าท่านจะออร้องยังไงจะทุกข์ท่าบอกว่านั่นแหละคือทุกขเวทนาแต่ไม่ว่าจะเป็นสุขเวทนาของเท้าส ก, ก่เป็นต้นหรือทุกขเวทนาของพระเทวทัตที่ตกนรกเป็นต้นล้วนเวทนาของกลุ่มบุคคลเหล่านี้นะั้นเป็นเวทนาที่อาศัยเรือนอาศัยกรรมคุณ ไม่ได้เป็นที่ตั้งของสมถะและวิปัสนาอะไรเลยลไม่ได้เป็นปัจจัยแก่การเห็นชาติทุกขชรลาทุกพยาธิทุกขมรณะทุกไม่ได้เป็นปัจจัยแก่ความเห็นความโศกความร่ําไรําพันธ์ฉงนั้นเพราะว่าอะไรเพราะมัวเพืิดนเพื่อนในสุขเวทนาและมัวโทมนัส ก, กับทุกเวทนาที่เกิดขึ้นใช่ไหมใช่ในส่วนจริงๆตัวเองก็ไม่เห็นอะไรไม่เห็นอริยสัจทำมว่าประโยชน์อะไรอยู่กับทุกไม่เห็นทุกน่ะ หนึ่งส่วนหนึ่งเป็นกา마สุขาริการุโยคใช่ไหมไอ้ส่วนหนึ่งก็เป็นอัตตะ ก, กิรมาฐานุโยกไปอย่างเงี้ยอีกกลุ่มหนึ่งก็อยู่กับโลภะอีกกลุ่มหนึ่งก็อยู่กับโทสะสันุเวกขาเวทนาไม่ต้องพูดถึงโมหกะก็คุมแจ่อยู่เน้นนะในสุดจริงก็เห็นความไม่เที่ยงไม่เห็นความไม่เที่ยงไปต้นโดยสรุปก็คือเวทนาที่เกิดขึ้นในกระแสขันของสัตว์ที่มากไปด้วยกิเลสกรรมที่ติดแน่นอยู่ในวัตถุกรรมนั้นนะ่ะสัตว์เหล่านั้นไม่เห็นอะไรไม่เห็นอริยสัจ ถท้ที่จริงถามว่าโสมนัสเวทนาก็ดีทมนัสเวทนาก็ดีถึงแม้อุเบกขาเวทนาก็ดีเป็นเวทนาขันย์ใช่ไหมแต่สัตว์เหล่านั้นก็ไม่รอบรู้ตามความเป็นจริงของเวทนาเหล่านั้นเพราะอะไรเพราะสัตว์เหล่านั้นไม่มีสัมมาทิฏฐิไม่มีสมาวายมะไม่มีสมาสติในการที่จะไปไข้ควรไปพิจารณาหรือไปแทงตลอดไม่สามารถจะไปวิจัยเวทนาเหล่านั้นและเห็นความเป็นจริงของเวทนาเหล่านั้นได้เลย ไม่เห็นชาติทิฐุของเวทนาไม่เห็นเวทนาเหล่านั้นเป็นติ๊ต่างของชาติทิฐุหรือในขณะที่ชาติทิฐุ ก, กาลังอุบัติเกิดขึ้นมาก็ไม่เห็นว่าเวทนามัีทุกท้จริงการอุบัติเกิดขึ้นของเวทนาเขาเรียกชาติทิฐ์ใช่ไหมการสืบต่อของเวทนาทั้งหลายเป็นชรลาทุกข์เป็นพยาทิทุกการดับไปของเวทนาเป็นมรณะทุกข์แล้วก็ตามไปด้วยโสกกาลบริเดวะทุกขโทมนะสาวและอุปาญาตเนี่ยก็เกี่ยวข้องกับเวทนาทั้งนั้นแต่สัตร์เหล่านั้นก็ไม่เข้าใจว่า เวทนาเหล่านี้น่าลังเกียจอย่างไรเวทนาเหล่านี้ควนรอบรู้อย่างไงยศใ ส, สก็ติดแน่นกับเวทนาเหล่านั้นเสี่หายเลยเนีย่ยเป็นไปลักษณะอย่างนี้นฉะนั้นเวลาพระริจ้ า, าแสดงเนี่ยนะพระองค์ก็แสดงให้รู้ว่าเธอเนี่ยติดแน่นในวัตถุกรรมยังไงกับกิเลสกรรมยังไงแล้วก็เวทนาที่ใสเรือนนะนะเธอไม่ไม่ออกจากเวทนาที่ใสเรือนเพราะเธอไม่มีเวทนาที่ทอ า, า่ใสเนคัมมะเพราะถ้าหากว่าในกลุ่มของคนที่ยกตัวอย่างเช่นว่าอยู่กับสมนัสเวทนา ก็แปลเป็นไปกตัณหาตัณหาเนี่ยมันเป็นโรงงานผลิตทุกข์เพราะเป็นอะไรเป็นสมุทัยสมุทัยเป็นเหตุของทุกขสมุทัยเป็นเหตุของชาติทุกเป็นเหตุของชาลาทุกเป็นเหตุของปยาทีทุกเป็นเหตุของบรญนทุกเป็นเหตุของความโศเป็นเหตุของความลําไรลําพันความไม่สบายกายไม่สบายใจความคับแฉนใจความทุกนานัประการมาเพราะตัณหาเป็นทั่วสร้างให้เป็นตัวผลิตถ้าคนที่มีปัญญาทั้งหลายเพียง สมณัสเกิดขึ้นมาบวกกตัญหาเขาเข้าใจดทดีว่าเขาวิบัติเนี่ยเขาเข้าใจดทดีเขาวิบัติเนี่ยเขาคิดออกคนมีปัญญาเนี่ยคิดออกแต่คนที่ไม่ค่อยมีปัญญาทั้งหลายไม่ได้ฟังพระธรรมอุเบกข์เจ้านี่คิดไม่ออกก็ติดแน่นกับเวทนาแล้วก็สวยเวทนาเสพเวทนานั้นยึดติดกับเวทนานั้นแล้วก็ตายไปกับเวทนานั้นในส่วนจริงตัวเองก็ประสบชาติทุกอย่างเราทั้งหลายที่ประสบกันอยู่นี่แหละนี่เพราะโทษของการติดเวทนา แล้วอย่าแปลกใจนะเราท่านทั้งหลายเนี่ยปราถนาเวทนาเราอยากได้ความสุขในชีวิตที่ผ่านมาเนะี่ยหลายๆคนเป็นแบบนี้เราหวังจะได้ความสุขใช่ไหมเราเราเรียนหนังสือแล้วก็ปราถนาเวทนาที่สมณะเวทนาเรากินข้าวเราก็ปราถนาสมณทเสวนาเราอยู่ที่ดีที่อยู่ดีๆก็ปราถนาสมณะเสวนาเราไปมีครอบครัวก็ปราถนาสมณะเววนา เรามีลูกก็ปรารถนาสมนะเวยนานนะเออเราที่ส่งลูกเรียนทุกวันเนี่ก็ปราศจนาสมว่านะที่ไปทํางานก็ปราศจากนาสมน่าเสวยนะชีวิตเราตั้งเป้าไว้ผิดเพราะเวทนานะมันเป็นสิ่งที่หลอกลวงไงนะเวทนาเป็นสิ่งที่หลอกลวงเป็นสิ่งที่มันไม่จีรังยั่งยืนอะไรเลยเป็นสิ่งที่มีความดับเป็นธรรมดาใช่ไหมเป็นเวทนาเนี่ยมันหลอกเรามานานแล้วฉะนั้นในสังสารวัฏเนี่ยท่านถึงบอกว่าเวทนาเนี่ยมันเป็นทุกข แต่เราไปเข้าใจว่าเวทนานั้นเป็นสุขใช่ไหมเราก็เลยไปหวังก็ตั้งใหม่ว่าเวทนาเนี่ยเสียหายการที่เราพิจารณาแล้วเราก็เห็นว่าเวทนาเนี่ยเป็นเป้าหมายเป็นสิ่งที่เราโม่งหวังต่างๆท <Luck? S 1> ั่นเอเราคิดผิดหมดเลยเข้าใจใช่ไหมแต่ว่าถามว่าใครจะรับได้ไหมถ้าพูดตรงๆเนี่ยก็รับกันไม่ค่อยได้ทั้งๆ ท, ที่ความจริงเป็นอย่างนั้นด้วยความจริงของเวทนาเนี่ยเป็นอย่างนั้นด้วยแต่เราก็ยอมรับกันยากมาก เพราะเราไม่ได้มีข้อมูลเหล่านี้มาเลยนในสาสารวัตเนี่ยเรารับข้อมูลนี้น้อยมากแล้วเราถูกทับถมในภพชาติเพราะในปัจจุบันนะภพเราก็ถูกถูกสอนในสิ่งที่มันไม่เป็นความจริงมาอย่างยาวนานเนี่ยเพราะว่าปัจจุบันเรามารู้คำสอนพวกเรายาวอ ย, าอย่างจริงจริงยังจางขึ้นมาเราก็พังห่ะกันใช่ไหมนี่เกาเรียกว่าเวทนาที่มันเป็นโทษแต่เราไปเห็นว่ามันไม่มีด้วยทีนี้ท่านก็บอกต่อไปบอกว่าส่วนอทุกขมสุขเวทนา ชี้แจงยากเหมือนอะไรเหมือนจะถูกความมืดครอบงำทุกขมสุขเวทนาไม่ใช่สุขและไม่ใช่ทุกนั้นจึงปรากฏแก่ผู้ถือโดยในว่าเวทนาที่เป็นกลางด้วยหนาาเป็นปฏิปักษ์แต่สุขและทุกเหมือนอะไรท่านบอกว่าเหมือนกันกันกบพ่านเนื้อเดินขึ้นไปตามรอยเท้าเนื้อที่ขึ้นบนแผ่นหินในระหว่างที่หนีไปได้เห็นแต่รอยเท้าที่ส่วนนี้บ้างส่วนส่วนหลังบ้างเป็นต้นก็เลยได้ เป็นกรณีที่สันนิษฐานเขาบอกงี้เสือเวลามันจะโดดขึ้นบนพลานหินบนลานหินเนี่ยเช่นมันเป็นหินก้อนใหญ่ๆเวลาเสือมันวิ่งวิ่งมามันกระโดดใช่ไหมกระโดดขึ้นไปปุ๊บไ อ, รอ้รอยรอยข้างล่างที่ตรงพื้นดินมันมีมันมีรอยรอยอยู่แต่บนบนหินมันไม่มีรอยไอ้ตอนโดดลงก็มีรอยเขาก็เลยสันนิษฐานได้ว่าอ๋อนี่ยมีรอยขึ้นกับรอยลงเนี่ยมีอยู่ ทันสอนมนัสเวทนามีทุกขเวทนามีอุเบกขาวเวทนากิงต้องมีใช่ไหมจ๊ะทีนี้อุเบกขาวเวทนาเนี่ยสัตว์โลกเห็นได้ยากยากมากโดยเฉพาะถ้าอุเบกขาวเวทนาที่ในฌานจิตโดยแล้วยิ่งละเอียดยิ่งเอานี้นะในจตุทชัชฌานในรูปฌานเนี่ยอากาสานันจายานะอากินวิญญาเนวะเนี่ยโดยเฉพาะในเนวะสัญญาเนี่ยสัญญาเห็นยากไหม ยิงยากขนาดวิปัสนาอย่างพรอย่างวิปัสนาอย่างภาษาวกทั้งหลายนี่กําหนดไม่ถึงเลยอะปัญญาระดับภาษารีบุตรยังต้องกําหนดเป็นชุดเนี่ยจะเรียงลําดับผัสสะเวทนาสัญญาเจตนายกตตาชีวิตจริงมรณะสิการไม่ได้เลย ท, ทั้งๆ ท, ที่ในชานอื่นนี่ท่านกำหนดได้หมดนะปัญญาท่านนะพอไปถึงเนวาสัญญานาะสัญญาเยตนาชานี้ต้องกําหนดโดยองค์รวมไปดูในอนุ ป, ปาทสูตรถึงจะเห็นชัดเลยอนี้เป็นต้น สรุปแล้ก็คืออุเบกขาเวทนาเห็นยากแต่มีอยู่ไม่มีไม่ค่อยปรากฏเพราะไม่ค่อยเด่นชัดประการต่อมาก็คือว่าคั้นตัดรูปกรรมอรมณกรรมฐานเบษษ็ดเสร็จแล้วพระพุทธเจ้าก็แสดงอรูปกรรมฐานเดิมหน้าทิงเวทนาในภายหลังก็ไม่ใช่ทรงสแสดงนี้อย่างเดียวเท่านั้นหากแต่ว่าทรงสแสดงรูปกรรมฐานก่อนในประสูตรไม่ใช่น้อยอย่างนี้คือท่านบอกว่าในมหาสติปัฏฐานสูตรในจุลาตันหาสังคยาสูตรในมหาตันหาสังคยสูตรในจุลเวทลสูตร ก็ แ, แสดงนะในมหาเวทนาสูตรก็แสดงรัตพาลาสูตรมาคันยิยาสูตรทัาพิพัมกสูตรอเนญชาสปายาสูตรแล้วก็ในเวทนาสังยุทธเนี่ยที่นำมากล่าบนี่นะอันนี้ก็แสดงด้วยอำนาจของเวทนาเรื่องโลกกรรมฐานและก็ในพระสูตรเหล่านั้นฉันใดแม้ในสกปปัญหาสูตรก็ฉะนนั้นเหมือนกันท่านตัดโูกกรรมฐานภายหลังก็มาตัดอารูปกรรมฐานตรงนี้ก็เป็นอย่างนี้นะสมนัตนะสอมนันั้นไม่ควรเสพก็หมายความบอกว่า เอวะรูปังโสมนัสสังอาเสวิตัพันธ์ก็คือไม่พึงเสกโสมนัสเตียสายเรือนเหนียนปานนี้ถามว่าไอ้โสมนัสเตียสายเรือนเป็นอย่างไรก็คือโสมนัสติเป็นไปกับกามคุณเนาะพวกอักาธาเนี่ยสุขโสมนัสความยินดีความเพลิดเพลินที่เป็นไปในทาวารตาหูจมูกลิ้นกายใจโดยเฉพาะรูปที่ได้เฉพาะนะเห็นแจ้งที่น่ารักน่าไข่น่าพอใจดังที่ได้กล่าวนี่แหละ ที่เกี่ยวกับโลกามิษได้ใดยเยียเฉพา ะ, ะที่เป็น ใ, ในปัจจุบันหรือที่ตามระลึกถึงรูปที่ตนได้มาแล้วล่วงมาแล้วดับไปแล้วเนี่ยก็เกิดสมมนัตขึ้นสมมนัตอย่างนี้เรียกว่าเป็นสมมาัตที่อาศัยเรือนสมมนัตนะที่เป็นไปกับกามาคุณเหล่านี้ท่านบอกว่าเป็นสมมานัตที่ไม่ควรเสพไม่ควรให้เกิดขึ้นทําไมละ่ะให้เห็นโทษ ให้เห็นโทษของโสมณัตนี้เพราะถ้าหากว่าเราไม่เห็นโทษไม่ใครควรไม่เห็นอาทีนวะไม่เห็นภัยที่จะมาในเบื้องหน้าเราก็จะยินดีและติดใจในโสมณัตนี้ใช่ไหยลำดับแรกก็คือเห็นภัยเห็นโทษเห็นทุกข์ที่เราจะต้องประสบเมื่อเราได้โสมนัติอาศัยตัณหาอย่างเงี้ยเขาเรียกว่าให้เห็นโทษของเขาถามว่าการที่จะเห็นโทษของสมณัี่อาศัยตัณหาเนี่ย ปัจจุบันนี้มันเกิดขึ้นแล้วไม่ให้รสชาติมันให้ความอร่อยแล้วเราจะคิดได้ยังไงในอนาคตก็ให้สังเกตว่าสมนัสที่เกิดขึ้นเนี่ยเป็นไปกับรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสไหมถ้าเป็นไปกับรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสแสดงให้เห็นชัดว่าตอนนั้นสมนัสเกิดขึ้นกับราคะใช่ไหมเอามาราคะเป็นสมุทัยเป็นตัณหาเอาตัณหาเป็นเหตุของทุกข์ใช่ไหมก็นั่งไข้ควรอย่างเงี้ยยืดยืนเดินนอกนอนไข่ควรแบบเนี้ยแล้วก็เห็นแล้ว ทนี้ตอนนั้นตอนนั้นทกมันไม่เกิดอทกมันไม่เกิดเราจะมองไปในอนาคตเราคิดออกไหมคิดได้นะว่าทกมันต้องมาแน่นอนเนี่ยตรงนี้สัตว์โลกไม่ค่อยกล้าคิดกัน ท, ทั้งทั้ดีทกมันจะมาโดยสํานวนก็คือว่าสมนะเกิดในวันนี้แต่จะไปถูกฆ่าเอานี้นะว่าเขาถึงอุปมาหลายอย่างใช่ไหมเจ้บอกว่าเอไก่ก็ดี ไก่ช้างมา้าวัวฝ้ายที่อยู่ในรถอยู่ในสุ่มอยู่ในพ่อพออยู่ด้วยกันเบนะ็ดเสร็จเนี่ยเขาให้อาหารกินหน่อยโอยดีใจแท้จริงก็ขุนเพราะจะไปฆ่าเอาเขาเลี้ยงหมูเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่นะเนี่ยก็ขุนอาหารใหญ่เลยนะนี่ก็นอนกินสบายเลยแต่เขาจะไปฆ่าอย่างเงี้ยนี่ก็เหมือนกันเราก็โอ้โหสุขสบายอยู่ในชีวิตเนี่ยแต่ไม่รู้รเราก็เป็นนักโทษเราจะต้องไปถูกฆ่าอยู่ร่ำไป เนี่ยไอโศมันนาที่มันเกิดขึ้นจากชีวิตที่มันไม่รู้ความจริงของชีวิตที่มันจะไม่ถูกเชื่อถูกฆ่าถูกตัดถูกตอนมันก็ไม่เศรเข้าใจยังเนี่ยตรงนี้ต้องให้เห็นโทษให้รู้ทันทีว่าเนี่ยถ้าตัญหาเกิดขึ้นตอนนั้นกำลังทําอกุศลกรรมอยู่อกุศลกรรมก็เป็นไปใจใเราต้องเกิดอยู่ล่ําไปเมื่อเกิดอยู่ล่ำไปเราก็ต้องมาทรมานนี่เข้าใจยังเนี่ยก็ก็ไข้ปกดนี่ก็กเรียกว่าเห็นโทษหนึ่งตอนที่ สมมนาฏเกิดเราไม่เห็นโทษแต่ผลของมันถามว่าเอ้เราจะทํำยังไงเราจําเป็นจะต้องไปเกิดก่อนไหมถึงจะเห็นโทษจําเป็นไหมไ ม, มันไม่จําเป็นแล้วตอนนี้เพราะอะไรมันทอดลองมาตั้งหลายสังสารวัตแล้วมันก็ไม่เห็นเออมันลืมหมดนะ่ะเพราะไอ้โมหะตัณหาต่างๆมันติดหมดนะ่ะมันต้องเห็นโทษจากการเรียนรู้จากการฟังธรรมสิ แต่การเข้าใจคําสอนอย่างลึกซึ้งสิเถ้านี้มันจะเห็นโทษจริงๆมันจะได้เจ็บปวดแล้วมันจะได้กลัวใช่ไหมต่อไปไม่เอาแล้วเงี้ยอันนี้มันยังไม่เข็ดขยานขนาดนั้นใช่ไหมมันไม่รู้หรอกว่ากรณีที่ว่าเฮ้ยเห็นไฟมันลุกอยู่เหมันเด็กๆอ่ะเราก็มือไปจับไฟเงี้ยเราคอยปัดเขาเลื่อยคอยปัดเขาเลื่อยเงี้ยนะอย่างเงี้ยเพราะผู้ใหญ่เห็นไฟมาแล้วแต่เด็กไม่เห็นเราเหมือนเด็กคนนั้นไม่เห็นไฟว่ามันจะต้องทรมานขนาดไหนเป็ต้อง ประการต่อมาที่บอกสมนัสที่ออกจากเรือนก็ได้แก่สมนัสที่เกิดขึ้นแก่ผู้เจริญขวนขวายในการที่จะฟังทำขวนขวายในการที่จะเจริญสมถะและวิปัสสนาที่สามารถเล่งเล้าใจขวนขวายเริ่มตั้งเอือ่วล า, ว า, วาเออวลาเวลาพิจารณาเกิดความเข้าใจในการฟังพระธรรมเสร็จเร็จต่อมาก็ตั้งวิปัสสนาที่เป็นไปในทวานหกนะ ถามใาในจักขู่สัมผัสชาเวทนาโซตัสตัสมผัสชาเวทนาไหมเวทนาที่เป็นไปกับทางทวารตาหูจ ม, มูกลิ้นกายใจเวทนาเหล่านี้สามารถกําหนดลักษณะรักษาไปยังประธานพิธาฐานมันก็ได้หมดเลยพอกําหนดดูรู้จักเวทนาอย่างชัดเจนเบ็ดเสร็จแล้วเบ็ดเสร็จก็กาหนดถึงใจรักของเวทนาเรารู้ว่าปฏิเวทนาเหล่านี้เกิดจากเหตุปัจจัยยังไงไหม แล้วก็ตัวเหตุปัจจัยไม่เที่ยงยงไงตัวเวทนาไม่เที่ยงยงไงเหตุปัจจัยเป็นทุกเวทนาเป็นทุกเหตุปัจจัยไม่ใช่ตัวตนเวทนาไม่ใช่ตัวตนเพราะไข้ควรเบสอะไรอย่างนี้เขาเรียกสมนนั้นมันเกิดใจที่น้อมออกจากเวทนาเนะี่ยเกิดสุขเกิดสมนะนั้นน้อมที่จะปริณิพานอันนั้นแหละเป็นวิปัสนาที่อาศัยนิครรมเคยเป็นไหมไม่เคยกําหนดเวทนาแบบนี้เลย โอ้โหลำบากเลยแล้วกําเนิดได้ไหมเอาไว้อะไนี้ในชีวิตประจําวันเราเยาวเวทนาเกิดตลอดไหมโดยมากอาศัยเรือนเรือใส่เนค็คกรรมะรู้ได้ยังไงเพราะกินอาหารอร่อยใช่ไหมนอนก็มีความสุขใช่ไหมอาบน้ําก็มีความสุขใช่ไหมเห็นรูป ส, สวยๆก็ดีใจใช่ไหมแสดงว่าเวทนาใส่เนี้อาศัยเรือนเนาะอาศัยกรรมอาคุณแสดงเห็นชัด ต, ตอนนั้นมีกิเลสกรรมเกิดในใจตอนนั้นเป็นโลภะใช่ไหม เร า, าก็ยินดีในรูปบ้างเสียงบ้างกลิ่นบ้างรสบ้างสัมผัสบ้างทำอารมณ์บ้า ง, รร ง, างอันนั้นใช่เป้าหมายไหมสิ่งเหล่านั้นถามบอกว่าเวทนาเหล่านี้เป็นผลของบุญหรือผลของบาปไม่ในขณะได้รับสิ่งดีๆผลบุญหรือผลบาปนั้นเวทนาเหล่านั้นมีอะไรมีกรรมในอดีตเป็นปจัจจัยมีตัณหาเป็นปัจจัยไหมนั่นแหละมีตัณหาเป็นอุปนิสัยปัจจัยนั่นแหละ มีตัณหาในอดีแเราเป็นปัจจัยถามว่าทําไมถึงทำกรรมเพื่อให้ได้เวทนาเพราะเรายังถอนอัตตาทิฏฐิไม่ได้ถอนตัณหาไม่ได้ใช่ไหมถอนตัณหาอุสัยไม่ได้ฉะนั้นมีตัณหานี่ยแหละเป็นแดนเกิดอยู่สรุปแล้วมีตัณหาเป็นสมุทยัยทาให้เราได้เวทนาเหล่านี้และในขณะเดียวกันเมื่อเวทนาเหล่านี้มาเกิดขึ้นตัณหาเกิดดีเพื่อจะไปได้เวทนาต่อไปในอนาคตถามว่าในขณะที่เวทนาเกิดจากบุญนี่แหละ มาอาศัยทางทวารตาหูจมูกลิ้นกายใจที่เราได้รับความสะดวกสบายในมนุษย์นี่นะอันนี้เป็นเวทนาที่เกิดจากบุญใช่ไหมถ้าเราไม่รอบรู้แต่เรามาเกิดตัณหาตอนนี้ก็เรียกอกุศลเกิดแล้วเป็นโสมนัสคือโลภะที่เป็นไปกะอกุศลเนี่ยตอนนี้เราทํากรรมแล้วตอนนั้นกายกรรมเป็นยังไงเป็นบุญหรือเป็นบาปวจีกรรมเป็นบุญหรือเป็นบาปมโนกรรมเป็นบุญหรือเป็นบาป ฉันบาปที่เกิดขึ้นในกระแสขันธาตุอายตนะที่เป็นไปในชีวิตประจำวันเนี่ยจะให้สุขเวทนาหรือให้ทุกเวทนาในอนาคตชัดเลยคือทุกขเวทนาด้วยเอาสิแปลว่าเราเนี่ยวิปริตมนาสการที่โยมบอกอาตมาจำได้ไหมว่ากินบุญเก่าอ่ะเข้าใจยางเข้าใจคำว่ากินบุญเก่าหมหเข้าใจ่า บุญเก่ามาจริงแต่เรามาวิปประิษฐ์ขนาด เ, าเวทนาที่เป็นกุศลเรายังทําไม่ถูกแล้วในสุดกระล่วงต่ำนี่เป็นโทษและในสุดก็ออกเยว่เห็นไหมว่าวิปประิษม์มรดการตรงนี้ผิดพลาดแล้วตรงนี้ท่านถึงบอกบอกว่าไม่พึงเสพเวทนาเหล่านั้นเนะก็ให้ใครควรพิจารณาเห็นด้วยความเป็นไม่ที่ยังแปรปวนคลายไปดับไป เห็นรูปนั้นด้วยปัญญาที่ถูกต้องตามที่เป็นจริงว่ารูปทั้งหลายเหล่านั้นก่อนนาะบัตนี้รูปเหล่านั้นก็หมดไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาก็เกิดสมณัตเนาะสมณัตเห็นป่านี้เรียกว่าสมณัตที่อาศัยเนคขัมมะสมณัตในลักษณะนี้พึงเสพทําไมถึงพึงเสพเพราะว่ากุศลธรรมที่ยังไม่เกิดก็เกิดขึ้นกุศลธรรมที่เกิดขึ้นแล้วก็เจริญไปบุญยิ่งยิ่งขึ้นไปตรงนี้ก็เป็นปลายกสิขาสามั่ น, นีองสิ้นสมาธิปัญญามันเดินแล้วตอนนี้ โดยสรุปตรงนี้ก็คืออย่างนี้ในขณะที่เกิดสมและเวทนาขึ้นตอนนี้เขาจเจริญสมาธิทีไหมเนี่ย ว, วิปัสสนาสมาธิทีก็เกิดที่วิปัสนาสมาธิทีเกิดขึ้นมาเขาก็ไม่วิปริตกับเวทนาที่เกิดขึ้นใช่ไหมหรือบางบางคนเนี่ยเขาตั้งวิธีคิดเคขาตั้งวิธีคิดว่าด้วยอํานาจของเวทนาต่างๆเหล่านี้ เขาคงพิจารณาในลักษณะที่บอกว่าเห็นโดยไตรลักษณ์ไม่เที่ยงเ ป, ป็นก้นเป็นนักตาเป็นต้นแล้วเนี่ยพอพิจารณาในลักษณะอย่างเนี้ด้วยอำนาจของวิปัสสนาและใจเขก็น้อมเข้าหาการปรินิพานอย่างนี้ลักษณะนี้ก็ได้สมนะ จ, จากการพิจารณาเห็นไตรลักษณ์เป็นต้นประการต่อมาก็คือบอกว่าสมนะที่เกิดขึ้นด้วยอานาจการออกจากเรือนด้วยอำนาจของวิปัสสนาด้วยการตามเลิกถึงด้วยอำนาจฌานที่ที่หนึ่ง เป็นต้นนี้ชื่อว่าพืนพ้นเสกตรงนี้ก็มาจากคาว่าโสมนัสใดยังมีวิตกวิจารณ์ตัทธยันจะสวิตักกังสวิจารังบอกว่าโสมนัสที่อาศัยการออกจากเรือนแม้นั้นก็ต้องรู้ว่าโสมนัสที่เกิดขึ้นเร่องหน้านการออกจากเรือนเรื่องหน้านของวิปัสสนาเรื่องหน้การตามระลึกเรื่องหน้ า, น า, า, หนานแห่งฌานที่หนึ่งนั้นเป็นโสมนัสที่ยังมีความตรึกยังมีความตรอ ง, ต ร, องตรงนี้ท่านบอกว่า อันนี้กลุ่มที่ได้ฌ า, านฌานในปฐมฌานนี่มีสอมนัสนะี่ใช่ไหมถ้าเราเรียนรู้นเนี่ยคือโอ้ปฐมฌานนี่มีสอมนัสเวนนาใช่ไหมฉะนั้นสอมนัสโทเวนนาีนกลุ่มไม่ต้องถึงระดับฌานนะคนที่ได้อุปจารสมาธิเป็นสอมนัสนะสมมุตินะนะพอจิตใจเป็นอุปจารสมาธิพาตั้งมั่นหน่อยก็ดีใหญ่แล้วทีนี้ถามว่าสองมนัส ต, ต่างๆเหล่านะี้ท่านก็มาไข้ควรเนะี่ย แต่ตัวส ม, มาธิฏฐิโดยเฉพาะวิปัสสนาสมมาธิฏฐิก็สมณสเวทนาเหล่านั้ น, นรู้ลักษณะเป็นต้นของสมณสเวทนาเหล่านั้นแท้ที่จริงบอกว่าสมณที่ยังมีวิตกสมณที่ยังมีวิจารณที่สมณที่เป็นไปในปฐมวิจาณเนี่ยให้สังเกตดูไหมว่าหนึ่งดูสมณจริงแต่สองพาดพิงไปถึงวิตกวิจารใช่ไหมวิตกวิจารณ์เป็นขันอะไรสังขารขัน แล้วก็ทำที่เกิดร่วมกับสมนะเป็นต้นเลยแสดงให้เห็นชัดว่าการเจริญอย่างนี้เขาเรียกว่าเจริญวิปัสสนาที่มีสมถะนำหน่ใช่หคนที่เขาเดินมากถ้าอารูวประชานเนี่ยแปลว่าหนึ่งก็เดินสายสมถะ า, นนาอน